คนไหนไม่บวชนี่ไม่มีใครเขาครบไม่มีใครเขายกลูกสาวให้ะบวชนมาแล้วก็กินเหล้าเมาปิศาได้นะ <laughs> แต่พอกินเหล้าไปแก้วสองแก้วต้องพูดธรรมะ ก, กัน <laughs> <laughs> ขเขาเรียกว่าแก้วหนึ่งนงนุษยนะยังหวานอ่อนโยนสุภาพแก้วสองพุทธว่าจาแก้วสามแก้วกล้าพูดจาองอาจ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 ฉลาดปลัดเปลืองจริงๆเวลาไปเรียนกับท่านนะแต่ว่าคนสมัยก่อนไปเรียนกับท่านเนี่ยมีไม่มากนะนานๆจะมีสักรายหนึ่ง <S <S เข้าไปกราบท่านจะไปเรียนธรรมะเนี่ยท่านไม่สอนนะ <S <S ท่านจะหลับตาเงียบๆไปชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณไปสืบประวัติแล้วว่าคนนี้ควรจะทำกรรมฐานอะไรพอลืมตาขึ้นมาท่านจะบอกกรรมฐานให้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 คนที่น่าอานาถอยู่22ปีคือหลวงพ่อประโมดนี่แหละหลวงพ่อหัดทากรรมฐานมาแต่ดเด็กนะเดขวบทำอานาปัญสติหวังว่าวันหนึ่งจะพ้นทุกนะทำทุกวันเลยทไปทุกวันทุกวันสงบแล้วอีกช่วงหนึ่งก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านมีอยู่เท่านั้นห น, หนมีอยู่เท่านั้นแหละ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 เราเชิญไปทานข้าว